ธรรมบทแปลเรื่องที่สองภาคที่7เรื่องพระโปติละเทระพระศาสดาประทับอยู่ในพระเชตวันทรงบรารพพระเทระนามว่าโปติละตรัสพระธรรมเทศนานิว่าโยคาเวชายติปุริอโยคา ผูริสังขโยเอตังดเวทาปทัทถัยตวาพระวายะวิพะวายะจะัตัทธัตนังนิเวเสยะยะถาภูริปวัตติปัญญาย่อมเกิดเพราะการประกอบแลความสิ้นไปแห่งปัญญาเพราะการไม่ประกอบบันดิตรู้ทางสองแพร่ง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 ระ a s สดาทรงดํารีว่าภิสูจนนี้ไม่มีความคิดแม้นิดเดียวที่จะสลัดตนออกจากทุกข์เราจะทำให้เิดเกิดความสังเวชตั้งแต่นั้นมาพระองค์จึงตรัสกับพระเถระนั้นในเวลาที่หมาเฝ้าบ้ามาเถิดคุณใบลานเปล่านั่งเถิดคุณใบลานเปล่าไปเถิดคุณใบลานเปล่าอย่งนี้ แม้ในเวลาที่พระเตระลุกไปก็ตรัสว่าคุณใบลานเปล่าไปแล้วพระโปติลานันคิดว่าเราทรงไว้ซึ่งพระไตรปิฎกพร้อมทั้งอัตถกถาสอนธรรมะแก่พิสุทหรอรูปถึงสิคณะใหญ่ถึงกระนั้นพระสัสดายังตรัสเรียกเราบ่อยๆว่าคุณใบลานเปล่าพระสัสดาตรัส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 วพวกภิกษุนั่งสาธยาอยู่ในบริเวณนั้นไม่ใส่ใจว่าเป็นอาจารย์พระเทระไปสิ้น120่ยยีโยต์แล้วเข้าไปหาภิกษุสา ร, รูปผู้อยู่ในวัดป่าแห่งหนึ่งไาว้าพระสังฆาเทระที่นั่นแล้วกล่าวว่าท่านขรับขอท่านจงเป็นที่พึ่งของกระผมด้วยเถิดพระเทระในที่นั้นกล่าวว่าผู้มีอายุ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 เป็นพระอารหันแล้วลําดับนั้นพระมาเทระในที่นั้นจึงส่งพระโปติระนั้นไปหาพระอนุเทระด้วยคิดว่าพระอาศัยการเรียนพระรูปนี้มีมานามากทีเดียวก็แม้พระอนุเทระนั้นก็บอกพระโปติระอย่างนั้นเหมือนกันพระเทระทั้งหมดทรงท่านไปโดยทตำนองนี้ จนไปถึงสามนเณรอายุเจ็ดขวบผู้บวชใหม่กว่าทุกรูปกำลังนั่งเย็บผ้าอยู่ในที่พระกลางวันพระเระทั้งหลายกำจัดมานะของท่านด้วยอุบายอย่างนี้ตอนพระโปติละหมดมานะพระโปติละนั้นถูกกำจัดมานะแล้วได้ยกมือไหว้สามนเณรกล่าวว่า ท่านสัตบุุรจงเป็นที่พึ่งของผมด้วยสามเณรตายจริงท่านอาจารย์ท่านพูดอะไรท่านเป็นคนแกเป็นพระหูสูตรผมควรเป็นฝ่ายเรียนกับท่านพระโพธิละท่านสัตบุรุษท่านอย่าทำอย่างนี้ท่านจงเป็นที่พึ่งของผมให้ได้สามเณรท่านกรับหากท่านอดทนคำสอนได้ผมจะเป็นที่พึ่งแก่ท่านพระโพธิละ ผมอดทนได้ท่านสัต บ, บุตรเมื่อท่านบอกให้ผมลุยไฟผมก็จะลุยไฟเลยทีเดียวตอนพระโพติละปฏิบัติตามคำสั่งสอนของสามเณรลําดับนั้นสามเณรจึงชี้ศัก์แห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลแล้วกล่าวกับท่านว่าท่านกอรับท่านนุ่งห่มตามเดิมนั่นแหละจงเดินลงในสะใบานี้จึงอยู่ สามเณรนั้นแม้รู้ว่าพระเทระห่มจีวรสองชัน้นซึ่งมีราคามากแต่เมื่อจะทดลองว่าพระเทระจะอดทนคำสอนได้หรือไม่ดังนี้จึงบอกอย่างนั้นฝ่ายพระเทระก็ลงสะด้วยคำสั่งเดียวเท่านั้นลาดับนั้นในเวลาที่ชายจีวรเปียกสามเณรจึงกล่าวกับท่านว่า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 โปติละนั้นพูดว่าท่านสั์บุรุษพอเท่านี้แหละแล้วจึงยังยานลงในกราชกายคือในสรีระนี้ปรารบสมณธรรมตอนทางเจริญและทางเสื่อมแห่งบัญญาพระาศาสดาประทับอยู่ไกลออกไปประมาณ120่งร้ีโยติเดียวถ่าประเนตรเห็นภิกษุนั้น ทรงมีความดําริว่าภิกษุนี้เป็นผู้มีปัญญากว้างขวางดุดแผ่นดินด้วยประการใดแลควรที่เธอจะตั้งตนไว้ด้วยประการนั้นนั่นแลดังนี้แล้วทรงเปล่งพระรัศมีไปประหนึ่งตรัสอยู่กับภิกษุนั้นได้ตรัสพระคถานี้ว่าโยคาเวชายติปุริอะโยคา ผูริสังขโยเอตังดเวทาปัทถังยตวาพระวายะวิพวายะจักตัทธั ต, ตนังนิเวสยะยสาผูริปวัตติปัญญาย่อมเกิดเพราะการประกอบแลปัญญาเสื่อมไปเพราะการไม่ประกอบบุคคลรู้ทางแห่งความเจริญและความเสื่อมสองทางนี้แล้ว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 คือความเสื่อมไปคือความพินาศคาว่าเอตังทเวทาปถังคือทางสองทางนี้ได้แก่การประกอบและการไม่ประกอบนั้นคาว่าพระวายะวิพวายะจะคือแห่งความเจริญและความเสื่อมได้แก่แห่งความเจริญและความไม่เจริญคาว่า ต, ตาทัตตาคือตนโดยวิถีทางหมายความว่าบัณฑิตพงตึงตั้งตนไว้โดยประการที่ปัญญากล่าวคือภูรินี้จะเจริญยิ่งขึ้นในเวลาจบพระคถ า, าพระโปติลเทระทั้งอยู่ในพระอรหันต์แล้วแหละเรื่องพระโปติลเทระ